พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งสองลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าหมา้าราชสีอารัธ น, นาสินเป็นไหมแสดงเป็นพุทมาม ก, กะมาวัดแล้ว หลงตาอยากจะให้พวกเราเป็นฝึกหัดลูกหลานอาราธนาศีลห้านะเอาว่าพร้อมกันกดหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังๆหลงตาหลงตาว่าก่อนนะยังค่อยว่าดนะถ้าใครว่าไม่ได้ก็ไม่ต้องว่าดถ้าวาดได้ก็เอาาตามหลังกันไปเพื่อการศึกษานะเรามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะเมื่อเมื่อเขาวัดเราก็ต้องสมาทานศีล น, นะ ถ้ามาทานสี่ห้านะถ้านั่นเราหลวงตาจะบอกว่าให้ว่าอย่างที่หลวงตาพูดเราจะพึ่งว่าตามหลวงตานะหลวงตาจะว่าให้ฟังก่อนที่แรกว่า <c oughs> มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณัฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยจามะสามครั้งนะรุติยปิมะยังพันเตติสระเนนะสห ตาติยมปิมายังพันเตติสลนานสหะปัญจศีลานิยาจามักเ่เาว่าพร้อมกันทีนีม้มายังพันเตวิสุปัญจศีลานิยาจามักเอ า, า, า, าตอนนี้ไปหลวงตาจะเป็นผู้พ่านำสมาทานศีล น, น, นันเอนะศีลหลวงตาจงว่าวานโมเก่อนทีแรกนะนโมตัสสะ น้โมตาเป็นผู้นํนาน้โมตัสสะคาแปลเรื่ความหมายของน้โมนะวะน้โมตัสสะพระกล่าวว่าตัวราตสัมมาสัมพุทธทัสสะความแปลและความหมายว่าข้าพระเจ้าขอนอบนอบ้นอมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นความแปละนะแปละวัาน้โมนะพูดถึงสามครั้งทําไมเราจึงนอบนอบ้นอมพระพุทธเจ้าเพราะว่า ที่เราจะรับศีลนี่คือศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนคิดขึ้นเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นอ่าเป็นคนเอ่อคิดค้นขึ้นมาอ่าจึงได้บัญญัติศีลศีลห้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นเราจึงก่อนที่จะรับศีลของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนเนีโมตัสสะนะสามครั้ง จากนั้นหลวงตาเจ้านะผ่านําว่าพุทธังสระนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสราระเป็นที่พึง่งทำมังสระานาังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึง่สงสังขังสระนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสง์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบเป็นสราระเป็นที่พึง่ง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 เราเป็นผลฆ่าเขาเราไม่รู้สึกหรอกว่าเขามีความรู้สึกเจ็บใจยังไงพอเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อแม่พี่น้องฆ่าวงศ์สกนาญาธของเราฆ่าตัวของเราเรามีความรู้สึกเสียใจเพรา อ, อะไรเพราะเราถูกฆ่าเขาก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมองเห็นแล้วว่า การฆ่ากันไม่เป็นผลดีทําให้เสียหายทุกใจกับผู้ถูกฆ่า น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือปาณาข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานเราไปขโมยของเขา เ, เราก็ไ ม, ไม่เราดีใจจได้จซ้าไปเพระได้ของเขาแต่เขาผู้ถูกขโมยนะเขาจะเสียใจขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าไถย่อย่างนี้ เขาเสียใจถ้าเขามาทําให้กับเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สองอย่าไปขโมยกันเนะ้อข้อที่สากาเมสุมิชาจาราว ร, รมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักเพราะเขาเป็นของเขาเราไปล่วงล้ําเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้าเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เพราะต่างคนก็ต่างมีพี่มีน้องมีน้องมีวงสาคัญาตให้เคารพสิทธิ์กันอันนี้คือศี่ข้อที่สข้อที่สมุสาวาเ ท, ทาเวรปณีอย่าไปโกงหกต้มตุลหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุลหลอกลวงโกหกคนอื่นเขาเขาเสียใจเราไปเขียนเช็คเล็งให้เขาอย่างนี้ล่ะไปเอาตะกัวไปขายให้เขาอย่างนี้ล่ะเอาก้อนเหินไปขายว่าเป็นเหล็กหลยอย่างนี้น่ะ เมื่อเขาได้ไปแล้วก็เสียใจเพราะมันไม่ใช่ของจริงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมันจั อ, อสิ่งว่าจะไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาข้อที่ห้าสุราเมียระยะมัชะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าเราดื่มสุราเข้าไปแล้วดื่มเหล้ากินเหล้าเข้าไปกินเบียร์เข้าไปแล้วคันชา ย, ยาเฟนฝิ่นเฮโรอีน โคเคนอะไรก็ตามถ้าว่าดื่มและเสพเข้าไปแล้วขาดสติแปบลบว่าสงเคราะห์เข้าในเล่าทั้งหมดพอมันขาดสติเมื่อดื่มและวเสพเข้าไปแล้วขาดสติทําความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะข่าโมยใครก็ได้จะระลับระลวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้เพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้าเป็นศินควรสํารวมระฟังเห็นไหม ผู้ใหญ่บางคนพอกินเหล้าเข้าไปแล้วทาความชั่วเสียหายประวัติคนตระเองเสียหายอย่างมากดังไปทั่วทุกขนทุกแห่งเพราะอะไรเพราะขาดสตินะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล้าไม่เป็นของดีนะลูกหลานนะยิ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมายิ่งควรจะสํารวมระวังการดื่มสุราเสียประวัติเสียหน้าที่การงานถูกตํมาหนิมามากต่อมากแล้วเรื่อกสุราเ น, นี่ยนี่แหละศีลห้าของพระพุทธเจ้าที่ ที่พวกเราจะได้รับไปนี่นะ เ, ออเปลี่ยนลักษณะอย่างนี้และลูกหลานนะให้ลูกหลานได้ศึกษาได้ฟังเอาไว้นะตอนนี้ไปหลวงตาจะเป็นผู้พานาสมาทานศีล น, นะนาฏณีนะเมื่อรู้ของศีลเมื่อรู้คุณค่าของศีลแล้วนะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเดนะเนปุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสะาย เอากราบสามครั้งเอาหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฝังนะ้ะลูกหลานนะอยู่ในความสงบหลวงพ่อจะไม่พูดนานวันนี้พอหลวงพ่อก็เป็นไอเป็นวัดเป็นไอเห็นลูกหลานมาก็ทำมัดทําคุณูปการให้กับวัดหลวงพ่อเห็นก็อือพวกลูกหลานไปปัดกวาดพวกเดินไปทางหลังก็คงจะรู้ว่าโอ้วัดหลวงพ่อเนี่กว้างขนาดเนี่ยพันสา้อยห้าสิบไร่มันกว้างจริงจริงเยาว์ายางนั้นอีกนะ แล้วก็ลูกหลานทำงานบริเวณรอบศาลาเนี่ยโอ้รู้สึกสะอาดสะอานขึ้นมาเยอะเลยถ้าได้อยู่สักสองสามวันวัดหลวงพ่อคงจะใสะะสะอาดกว่านี้ว่ะวัดหลวงตาคงใหสะอาดกว่านี้ถ้าลูกหลานอยู่สักสองสามวันอันนี้อยู่วันเดียววันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลสาหรับลูกหลานที่มาสู่วัดของหลวงพ่อ วันนี้เป็นวันที่8กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560นอมหาวิทยาลัยราชพัฒอุรลูกหลานรวมทั้งหญิงชายก็50กว่าคนครูบาอาจารย์ที่มาพักแล้วก็มาพัฒนาช่วยเหลือวัด เ, เพราะว่าวันที่1ิบวันที่11 กุมภาพันเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศกฎรัฐธรรมนูญปกครองสงฆ์วันที่วันมาฆบูชาพระสงฆ์มารวมกัน1250รูปโดยไม่ได้นัดแนะจากนั้นพระองค์ก็ให้อวารปฏิโมกปกครองสงฆ์คือกฎระเบียบตั้งกฎระเบียบ เหมือนกับตั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญปลกครองประเทศชาติรักษาใงกันแหละอันนี้พระพุทธเจ้าท่านประกาศกฎรัฐธรรมนูญปลกครองสงฆ์คือศีล227ข้อเนี่ยนี่แหละพระองค์บัญญัติวินัยเรื่อยๆๆรื่อยเพื่อจะให้พระสงฆ์อยู่เป็นหมวดหมู่เป็นกฎระเบียบเพราะนั้นลูกหลานได้มาช่วยทำความสะอาดวัดก่อนวันมาคะบูชา หือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งและก็พร้อมกันลงมาถึงวัดหลวงตานะหลวงตาเห็นลูกเห็นหลานมาสู่วัดหลวงตาก็อดที่จะพูดแนะแนวหรือว่าแนะนําตามแนวความคิดเห็นของหลวงตาที่อยู่ป่าดงพงไพ่อยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีเพราะว่าในช่วงนี้ประเทศไทยประเทศชาติของเราก็เข้าไป ส, ส, สู่ประชาคมอาเซียนนะ เพราะนั้นให้ลูกหลานกระตือรือร้นอย่าไปเน่งดูดายให้มันขยันในการศึกษาในการเรียนรู้อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษอย่างที่หลวงตาได้พูดได้กล่าวเมื่อเช้าเนี่ยให้ศึกษาให้ใส่ใจเมื่อเราจบไปแล้วเราอาจจะได้ไปทํางานในต่างประเทศในรแวกนี้ละ่ะเมื่อเราไปทํางานเราก็จะได้ภาษาอังกฤษ มันกัเป็นเครื่องประดับติปัญญาของเรานะลูกหลานนะถ้าว่าเราไม่รู้ภาษานี่เหมือนกับเราทํางานกับเงินเดือนมันก็ไม่ขึ้นนะแหเพราะนั้นให้ลูกหลานเมื่อจบราชพัฒอุดรไปแล้วก่อนนี่ยแหละให้ลูกหลานตั้งอกตั้งใจทํําากรทางานแล้วก็หลวงพ่อหลวงตาเองก็เป็นห่วงลูกหลานเหมือนกันนะเพราะลูกหลานในวัย ไว้กำลังเรียนรู้ไว้กาลังขนองไวยกาลังเชื่อมั่นในตนเองแต่บางครั้งการเชื่อมั่นในตนเองก็ผิดพลาดไปได้นะมันต้องฟังเสียงผู้ใหญ่ฟังเหตุฟังผลฟังพ่อฟังแม่ฟังครูบาอาจารย์ฟังหลายหลายคนขนาดหลวงตานี่นะอายุแกขนาดนี้นะหลวงตายังฟังลูกศิษย์ลูกหานะถ้าใครพูดมามีเหตุผลหลวงตาจะต้องฟังเงียงหูฟัง ถ้าฟังไปแล้วเออมีเหตุผลเออใช่ได้นะลงตายอมรับทันทีนะแต่ถ้าฟังฟังไปแล้วพูดไปเข้ปาป่าเขาลกไวไม่ได้ไหมฟังไหมฟังอย่ามาพูดนะลงตาจะพูดอย่างนั้นเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายให้เป็นผู้ศึกษาให้เป็นผู้ฟังศึกษาจากผู้มีอายุจากพ่อจากแม่จากผู้หวังดีกับเราผู้หวังดีและผู้หวังไม่ดีเราใหญ่ขนาดนี้เราเราจะรู้ได้แล้วนะ ผู้หวังดีนั่นคือใครผู้หวังไม่ดีนั่นคือใครเี่เราพอจะออกอ่านออกได้แล้วนะเพราะฉะนั้นผู้หวังดีกับเราเนี่ยเราต้องฟังต่างฟังในความคิดเห็นของท่านถ้าหากว่าเรามีแต่ไปคบค้าสมาคมกับคนไม่ดีเห็นยุเห็นดีหมู่พวกเพื่อนบางคนเขารวยแต่เราลืมคิดว่าเขารวยขึ้นมาเพราะอะไรบางทีเขาอาจจะขายยาบ้ายาม้าก็ได้ใช่ไหม ขายยาเสพติดก็ได้หรือเขาอาจจะไปทํามิจฉาชีพอไปป่นไปคดไปโกงไปทําอะไรมาก็ได้เราเห็นแต่เขารวยเราก็ไปไปคบกับเขาอพอคบกับเขาพอตํารวจจับได้ตอนนั้นตายเลยเราหมดอนาคตทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้เขาทาอะไรหนีไม่ออกเพราะเราไปด้วยกันไอ้ยาบ้ายามา้าก็อยู่ในรถคันนั้นอีกต่างหากเนี่ย นี่แหละอันนี้การครบค้าสมาคมเราต้องดูนะถ้ากว่าใครก็ตามถ้าดูไม่ดีแล้วเราต้องพยายามถีบตัวให้ห่างเลยอย่าเข้าไปใกล้ครับผมมีธุระครับผมไม่ไปด้วยครับผมปิดอย่างนี้อย่างนีมันมีทางออกทั้งเยอะแยะนะเราจะไปสนิดชิดเชื้อเพราะว่าในครั้งพุทธเจ้ามีเลยมีพระองค์หนึ่งมีพระองค์หนึ่งอไปคบกับ พระอีกกลุ่มหนึ่งที่ปพระที่เลวนะไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัย เ, เป็นพระผิดกฎหมายพูดง่ายๆแต่พระองค์นี้ก็ไปไปอยู่กับเขาเพราะว่าเขาเป็นรวยเนดะ็กพระทาผิดกฎหมายนะเขารวยพระองค์นี้กับเห็นเขารวยกับไปอยู่ไปกินกับเขานะาพระกลุ่มหนึ่งเอ๊ะพระองค์นี้ทำไมเป็นหัวสองนกว่ะเข้าทางนี้ด้วยเข้าทางนู้น้วย ไปเข้ากับกลุ่มที่เป็นคนเลวเน่าในพระสงฆ์ทหลายก็เอามากลาบทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเอยเธอเนี่ยไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะเห็นไหมเขาเลวประประพฤติตนไม่ดีทาไมเธอจึงไปคบค้าจะมาคมกับเขาละ่ะถ้าเธอไปคบกับกลุ่มเทวทัตยอย่างนั้นอนะ่ะกลุ่มกบบคนเลวอย่างนั้นอนะ่ะเออต่อไปเธอจะต้อง เ, ออเสียหายนะ เ, ออเดือดร้อนนะออสิ่งที่มันไม่ดีจะตามมาหาเธอนะ เ, ออเธอเน่เคยถูกมาแล้วในอดีตชาติเนะเราเตือนแล้วไม่ฟังจนถึงกับเสียชีวิตเพราะการเตือนไม่ฟังพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ารู้อดีตเดใครเขา้าดูอดีตชาติแล้วนะพระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูลว่าสมัยไหนพระเจ้าข่า ที่พระองค์นี้ดื้อรั้นไม่ฟังคําของผู้ก่าวเตือนอยากจะฟังเหล่าภิกษุทั้งหลายตั้งใจฟังสมัยหนึ่งเราเป็นราชสีเราไปเป็นราชสีอยู่ในถ้ำเรามีลูกมีลูกชายลูกราชสีตัวหนึ่งแล้วก็มีลูกสาวคือราชสีตัวหนึ่งแล้วก็มี มีแม่มีเมียแม่ราชเจษศีตัวหนึ่งอยู่ด้วยกันสีชีวิตนะพอต่อมาเนี่ยราชาสจษศีตัวตัวลูกชายเนี่ยตัวสีราชาสจษศีตัวพ่อเนี่ยก็แก่แม่ก็แก่แล้วใช่ไหมมีแต่ลูกสาวกับลูกชายลูกชายสาวเนี่ยขนะเป็นนักลูกราชาสจษศีเนี่ยไปหากินแถวกใกล้ๆก็มาให้พ่อแม่แต่ที้ลูกชายตัวนี้นะลูกลูกราชาสจษศีเนี่ยเป็นหนุ่มเลยกำลังเคิร์กขนง ไปกไปหากินได้หมูได้เก่งได้กวางมาก็ขาบมาให้พ่อแม่แบงให้พ่อแม่กินทีนี้ก็ไปเจอหมาจิ้งจอกว่ะเราชสีตัวนี้นะ่ยไปเจอหมาจิ้งจอกพอเห็นหมาจิ้งจอกโดดตะคุบหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกโอ้ยผมยอมนะเจ้านายผมขอสวาสิ์พี่พักอย่าฆ่าผมเถินผมขอชีวิตไปเถอะ ท่านจะทําให้จะจะให้ผมเป็นอะไรผมจะเป็นลูกน้องของท่านจะเป็นมดลิวานของท่านผมขอจอมราชเสด็จสีเออเอาถ้าเป็นจอมเป็นมดลิวานลูกน้องก็เราก็ให้อภัยจากนั้นหมาจริงจอกทัวนั้นเป็นลูกน้องของราชเสด็จสีตัวนั้นตัวหนุ่มเหมือนกันแหะไปที่ไหนก็ตามหลังเท่นี่เพระเป็นลูกน้องเด้อเพราะนี่พอ พอราชสีห์หนุ่มตะนนั้นนะ่ะพาหมาจิ้งจอกมาที่ที่ถ้ำพอมาหาที่ถ้ำพ่อก็เลยบอกว่าเอ้ยลูกหมาจิ้งจอกเนะี่ยเป็นสัตว์ที่เลวคบไม่ได้นะลูกนะถ้าไปคบกับหมาจิ้งจอกเนี่นะบางทีความหายชนะจะตามมานะลูกอย่าไปคบนะกับคบกับไอสัตว์ที่เลวกว่าตนเองตัวนนเองเป็นพยาราชสีห์แล้วเนยะ จะไปคบกับหมาจิ้งจอกได้อย่างไรหมาจิ้งจอกมันเป็นสัตว์ต่ําต้อยเป็นสัตว์ที่ไม่มีคุณค่าไม่มีคุณภาพ เ, เราไปควบกับเขา เ, เสียนะเสียตัวเองนะลูกอย่านะอย่าไปคบกับเขาดีกว่าทางลูกชายหรพ่อเนี่พูด อ, อดูถูกเขาเกินไปเขาเป็นหมาจิ้งจอกจะภาษาอะไร เราเขอเป็นลูกน้องของเราอยู่แล้วเนี่ยเราจะให้เขาทํำยังไงเขาไก็ทําได้มันจะใหญ่กว่าเราได้ยังไงเราตบบัตรเดียวเท่านั้นมันก็หงอไปเลยเนะมันจะมาเป็นใหญ่ของเราได้ยังไงพ่อเนี่ยพูดชักเกินไปละคล้ายๆว่ายิายายาง่งในตัวเองเกินไปจนไม่ไม่สามารถไม่ให้ครบทุกคนสัตว์ที่ตํากว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น พอต่อมาลูกชายก็ไม่เชื่อพอ่อใช่ไหมล่ะก็ครอบไปเรื่อยๆ อ, อยู่ด้วยกันแต่นี้วันหนึ่งหมาจิ้งจอกตัวนั้นก็บอกว่าเจ้านายเจ้านายแหมแกงก็เคยกินกวางก็เคยกินหมูป่าก็เคยกินวัวป่าก็เคยกินแต่ยังไม่เคยกินม้าหมาเนี่ยโบลต์เขาเขาว่ารถอร่อยนะแต่ยังไม่เคยกินแหม ทั้งราชสีเนี่ก็ว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนว่า ม, ม้าวะเนี่ยผมจะพาไปมันอยู่มันอยู่เป็นของมนุษย์นะม้าเนี่เป็นของมนุษย์ออยู่ใกล้เมืองนั่นแหอะทั้งเอ๊ะมาจริงจอกมันไปสอดหลอดเสร็ดแหลดแดงมันนะอ๊ะมาจริงจกมันไปทั่วตรงนั้นมันไปทั่วทุกแข่งทุกคนหมาจริงจอ脚มันก็พาไปแล้วสินพาราชสีไปพอไปก็ไปเห็น ม้าเขาจะหนม้าเขาเลี้ยงอยู่ในในฝั่งแม่น้ํำนะอแม่น้ําอำที่เขาเลี้ยงไว้ฟางพอเขาเอาไปลงไปอาบน้ําเสร็จแล้วเขาก็มาเลี้ยงน้ำํำมากินหญ้านะลาดเฉสี่ยตัวนี้ก็เลือกเอาเลยแล้วมันนะแผดเสียงเป็นกระโดดคาบม้าเลยพอคาบม้าแล้วก็คาบขึ้นบ่าแล้วก็วิ่งเลย ไอ้หมาเจีงจอกก็วิ่งตามราชสีห์งนันพอมาถึงไกลคนแล้วกันมาแบ่งให้หมาเจียงจอกกินซะจากนั้นก็ฆาบมาให้พ่อแม่อยู่ในถ้ำพ่อแม่เห็นหมาโอ้โลกูกอย่าไปกินหมาเขานะหมาเนี่เป็นของมนุษย์นะนี่นะถ้าหากว่าไปเอาข่าหมาเข้ามานี่ไม่ได้นะมนุษย์เนี่ยมันหัวเเหนือกวา่า เสียงใดทั้งปวงนะอันตรายนะลูกนะยานะอย่าไปอย่าไปเอาหมามากินนะหมาหมาพร า, าชาเนีเ่เขามีกรรมวิธีตั้งเยอะแยะมนุษยเ์เขามีปัญญาเสียแหล ม, มากนะลูกนะยานะตายนะอันตรายนะลูกชายโอ้ยไม่เชื่อพ่ออีกเหมือนกันนะ เ, เนี่ยข้านี่สติปัญญาของข้าความว่องไวของข้านี่ความรวดเร็วของข้านี่ ใครจะมาจริงได้ปะใครจะมาทําอะไรได้ปะพ่อเนี่ยโอ้งุ่มเง่ากลัวไม่น่ากลัวนะดูถูกพ่ออีต่างหาแต่พ่อเนี่ยเจตนาดีใช่ไหมละ่ะแต่นั่นก็นานๆก็ไปจับมา้มากินมาทีนึงพอจะกั้นพอมา้าเขาออกมาเลี้ยงทั้งร อ, อกมันราชสีมากินใช่ไหมละ่ะเขาก็รักษาก็ไปในเมืองแล้วบานเนี่ยออกมาก้าเขาไปในเมือง ไปในกำแพงเมืองเถอะเนี่ยกำแพงมันก็สูงนลยแหกำแพงเมืองมันสูงแต่เน่พระเจ้าแผ่นดินกป็ประชุมประชุมนายขมังธนูเลยต่เนี่ยเขาบอกขมังไงเขาบอกขมังไปว่ามือมือแม่นมือแม่นของเมืองแหะเหมือนกับมือปืนชั้นหนึ่งของของเมืองแหละวัดเขาเรียกมาประชุม จัดจัดการได้ไหมนายขมงได้นายขมงขมู ล, ม, ลมันมากระโดดม า, มาแถวนี้แหละมันข้ามมาตรงนี้แหละมันไปกลุ่มนั้นไปไปศึกษาดูนายขมังธ น, นก็อยู่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดใช่ไหมล่ะเออพร้อมพร้อมที่จะอาบน้ํำยาอาบยาพิษอย่างอย่างพร้อมเลยและงั้นพบคําสั่งของบราชาใช่ไหมมันเดือดร้อนเลย ราชสีไปกินหมาของเขาเน่ยเขาเกาะอยู่เป็น้ายไปแต่ี้ไอราชสีเนี่ยก่อนพอหิวอยากจะกินหมาอีกใช่ไหมล่ะพอมาแล้วก็ให้หมาจจองจอกอยู่ห่างๆตัวเองก็วิ่งกระโดดเพ้ามันเปียวเลยกระโดดเพีวข้ามกำแพงเลยพอข้ามกำแพงเขาก็มายิงเขามายิง นายขมังธนูเขาไม่ยิงในจังหวะที่มันเปี่ยงไปเพราะว่ามันมันมันเร็วของั้นแหะแต่ยิงก็ทันอยู่แต่เขาไม่ยิงพอที่มันคาบม้าเนีพอไปคาบม้าเนีมันหนักเด้พอคาบม้ามันหนักใช่ไหมละ่ะพอคาบม้าเนีลากมาเนยพอลากมันกระโดดขึ้นกำแพงไอ้จังหวะที่กระโดดขึ้นกำแพงเท่านั้นแหละจังหวะที่จังหวะที่มันช้าใช่ไหมมันจังหวะรอจังหวะกระโดดเนีเออ พวกนายข ม, มังธนูก็ปล่อยลูกธนูใส่เต็มเปล่าเลยนะใจยิงธนกัใส่พูดพกตบร้องอาเลยงกันเถอะปล่อยม้าทันทีอพอปล่อยม้า ก, กระโดดเลยพราะนกระโดดวิ่งข้ามกำแพงวิ่งตะพัดตะเพยตะพัดตะเพยทั้งลูกศรทั้งลูกธนูนะพอไปถึงหน้าธรรมก็เลยตายาตายในหน้าธรรม จังผู้พ่อลโอ้ลูกเอ้ยนี่แหละไม่ฟังคาพ่อพ่อบอกแล้วบอกว่าจะไปครบหมาจริงจ่อและก็อย่าไปใกล้แดนมนุษย์มนุษย์มันหัวแหลมเฉลียวฉลาดเออมันมีกรรมวิธีหลายอย่างที่จะทำร้ายทำลายพวกคนอื่นเพราะนั้นลูกเนี่ยไม่เชื่อฟังคาพ่อนี่แหละเป็นพ่อเหตุนี้เองหนอลูกเอ้ยเพราะไม่เชื่อคาพ่อที่สั่งผู้หวังดี จะทำอย่างไรได้พ่อจะช่วยอะไรได้ถึงข่าวตายแล้วลูกเอ้ยนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการครบคนไม่ดีมีแต่ความหายนะจะตามมาผู้ที่ไม่ชังไม่เชื่อฟังคำพ่อคำแม่คำผู้หวังดีก็มีความจิบหา ย, เ, ยเหมือนกับลูกชายของราชสีไม่เชื่อฟังคำพ่อที่บอกกล่าวด้วยเจตนาดี แว่าแต่ตัวเองฉลาดผลที่สุดกับประสบกับความหายชนะนีอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะลูกหลานเคยฟังเอาไว้คือนี่แหละนิทานและชาดกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในอดีตชาตินะท่านสอนไว้ในครั้งพุทธกาลถ้าเรานํามาคิดนํามามาพิจารณาดูแล้วเนะี่ยมันมีประโยชน์สําหรับเราเพราะฉะนั้นในชาดกท่านสอนไว้อย่าไปคบคนคนเลว ถ้าคบคนเดียวเขาจะชวนไปในทางชั่วแล้วก็ตัวเองก็ได้รับความชิบหายาและนิทานเรื่องนี้นคือคบกับหมาเจี้งจอกได้รับความชีบหายแล้วก็ไม่เชื่อฟังคําพ่อที่เจตนาดอาีอยากจะให้ลูกตนเองเป็นคนดีแต่กับลูกคนตนเองนั่นแหละกับไม่ฟังาหาว่าพ่อโง่เง่ า, ง า, งาเตาตุนขี้ขยัด ทำอย่างนี้จะไปที่ไหนได้เราเชื่อในตัวของเราคำว่าไม่กลัวคําใครไม่กลัวใครในโลกในจักรวาลเนี่ยนะแต่ลืมนึกว่าคนที่เหนือเรานะมันยังมีอยู่คนะนั้นให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายทำงานทำการอะไรก็ตามต่อไปในอนาคตลูกหลานตกคิดดูให้ดีในสิ่งเหล่านี้นะ อันนี้หลวงตาพูดให้ฟังเป็นชาดกและเป็นนิทานเพื่อให้ลูกหลานจาได้ง่ายนะถ้าเป็นพู ด, พ, ดพูดไปลูกหลานก็จําไม่ได้แต่นี่หลวงตาพูดให้ฟังอย่างนี้ลูกหลานก็จําได้ง่าการครบค้าสมาคมเนี่ยคบคนไม่ดีเนี่ยระวังการที่ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ดื้อรั้นหัวดื้อหัวรั้นเอาใจใจตัวเองก็เน่นะเหมือนกับประชาชสีไม่เชื่อฟังคาพ่ ระวังอันตรายนั่นแหละลูกหลานก็จะได้สำนึกได้นะนั่นะการวันนี้ลงตาจะไม่พูดอะไรให้ฟังมากถ้าพูดมากเดี๋ยว ล, ลูกหลานจะจำไม่ได้เอาเทอนนี้เราก็พอแล้วนะลูกหลานนะเอากราบลงตาท่านนีกราบพระนะในคอยหาที่พักนะ